อัลลอฮฺุลลอฮฺอัล ح อฮ ا ل ลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอฮฺ ل ัลลอฮฺุลลอฮฺอัล ل อฮฺุลลอฮฺอั م ลอฮฺุลล ا ل ฺอัลลอฮฺุลลอฮฺ ي ัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺุลลอฮฺอัลลอฮฺุ ر ับชราให صدر ي و ยัส ل ي ลิอ <ad> ัม <ad> ลิว ل ลอุดตะมิลลิสานิ و ัฟก ل ์เขาโควลิอั سأل ك ع เ ي า ن ์มณ์นาฟ ق อ طيب น์ ع م ل งานมุต ا ับบลาย ا ل ์รับน์อา ا ามีนอัล ا ل ฮุมะ ع ل ห ا เขาฟิด ا ل ์และอัลลิมต้าอวินอัสลามูอขอความสันติพระเมตตาความจริญความปรานีเจุบฮานวตาลา ประสบแดดพี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆ ท, ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะครับในเดือนชาบานเสาร์สุดท้ายนะแล้วก็เสารหน้าเราก็ยังคงเรียนกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารการกินนะก็จะงดนะเดี๋ยวไปกินอีทีตอนแก้บวชนะครับ อ, อีแล้วครึ่งวันไ ม, ไม่ไม่มีครึ่งวันเออมีพอบายโมละแกบวดอันนี้ไม่ไม่ไมีไม่ได้นะอ่าส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่บังคับนะครับอ่าอันนี้ทานได้แต่ให้ให้หลบหลบนิดนึงนะครับคนที่มีประจำเดือนคนที่ป่วยต้องทานยาออกฟิดยาแทนแล้ว ทานได้แต่ทานแบบมีมารยาทนะส่วนคนที่แข็งแรงมดเลยะเราก็เริ่มอิบาระดะโดยการถือสินอดพร้อมกับอ่านกุรานด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราอยู่ในสูรออัลอันอามอายะที่ห้าสิบอ่าถึงอายะที่ห้าสิบแล้วนะครับ กุลละกุลุละกุมอินดีคอาาอินุลลอฮ์นี่คืออายะที่ห0ในส ah ุร์อัลอันอามนะเจอนะสุร์อัลอันามสุราะที่6อายะที่ห0อยู่ในยุสที่7อยู่ในยุสที่เจดนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم น <ص في ق> ุ م ا ل ิม <HP> บิสมิลล ل ฮิลลอฮ์มา ل ุ م รฮิมอะลัยุบุล ح าห์ ل ัลลอ ل ฺอัลลอ อัลราะห์มานีอัลราฮิม ي าลิกิยามิดดินอียาค์นั้ง عبد ุวัยยาค์นั้งสตาอิน إ ِห์ดินั้ลศรัตัลมุสตั قي มศรัตัลท้้าท้้าท้้าท้้าท้้าَ้้าท้้าَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ أ َ ن ْ ع َ م ้าََ้าท้้าท้้าท้้าท้้าท้้าท้้าทَ้าท้้าท้้าَ้้าท้้าท้้า อามินอ้าِอِ ل อَ้งอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอِงอ้ كل أقول لكم عندي خزائن الله. إيه روب ن ึ نه. กุลละกุลละกุมอินดี х о ل ะอินุลลอฮฺกุลละกุลละกุมอินْี хоз ะอินุลลอฮฺวะละ มุลบบอูกุมอินนีมมอีรอบหนึ่งนะครับ ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملاك ي ม่เอ่ย إلا ไ ا ่เอ่ยไม่เอ่ ل َม่เอ่ ل ไม่เอ่ยไม่เ قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أ فلا تتفكرون وأذر b i h a l a d i n a y َ a f ال يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ อีรอบนึงอีรอบนึงนะยศชารูคีวร์บิหลีนยาขาฟูนัยยชารูอลรบบิหิม ไอ้ขี่นะไอ้ตัวนี้ไออ่อนนกเสียงด้วยนะครับ ليس له من دونه ولي ولا شفي علله ميت تقوم ละอัลล <c oughs> ัฮูมชาฟิอุลวาลิยูอันนี้ถูกแล้ววาลิยูและชาฟิ <c oughs> อุลละอัลละฮูมอัลลอฮฺ <c oughs> ดูทีละตัวนะครับใจเห็นนะไลซัลฮูมิลดูนีฮิวาลิยู ว่าละชั و لي و لي ่ฟีอัลลัลฮัมจะตั้ง แَะทัَ่ ط َกท د ่วทั้งโَกทัَวَัَงโลกทัَวทั้งโลกทั่วทั้งโลกทั่วทั้ง ي َ د ด عون ربهم ب ا ل غ د ا ِ والعش يريدون وجهه อันว่าจัฮเลนะม่เอาล่ายกมิหนี้ซับิห้มมิชัยอูว่ามิหนี้ซับิคะอัลเย์ห่มมิชัย รูดหุ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มตฟมต์ฟต์ูนะมินททททททททททททททททท่ทททททททททททททททททททททททท่ททททททททททททททททททท รูดะ ه ُมฟะตัก ن ا ่ามิน ا ظ ّ ل ي م وَكَذَلِكَ ف َ ت َ ن َّ ب, ب َْ ع َ ه ُ م ْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُ أَهَالَهُ أ ُ ฮาอุลัยมันอัลลอฮุ عليهم من, علي من بيننا a ลัยซลลับิลลมับิชกีรินัลัยซบิลลมับกรินัลัยลลับิลมบิชกริ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ف ق ُ ل س ل ا م ٌ ع ل ي ك م ف ق ُ ل س ل ا م ٌ ع ل ي ك م ك ت ب ر ب ك م ع ل ى ن ف س ه ا ل ر ح م ة ك ت ب ر ب ك م ع ل ى ن ف س ه ا ل ر ح م ة ك ت ب ر ب บุกุม على نفسه الرحم นะครับบุกุม على نفسه الرحم นั้นหูมันทำลา م มิคุมสูอัมบิจัล อันนี้อ่านซูแล้วก็อัมนะเพราะว่าเป็นอิกราบนะอ่านปิด ป, ปากอัมบิเจฮัลอะอยู่ตรงนี้อีกรอบนึงอันหูมันอามิละมนกุมซูอัมบิเจฮัล ث ُ م มม ت ตตาบมิมบัดดีห์และَัลละห์ทุมตบมิบดีห์แลลห فأنه ف أ ه غفور رحيم ف, ف ن ه غفور رحيم فأنه غفور رحيم มาดูความหมายนะครับกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าละกูลละกุมอินดีคอซอินุลลอจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันฉันก็คือท่านบีมุฮัมมัดเนี่ยจะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันมีครังสมบัติของอัลลอ์ คอเซเอ็นแปลว่าครังครอบครองคำครังสมบัตินะพูดง่ายง่ายว่าตรงนี้ก็หมายถึงความดีงามที่เอาลอสุบฮาณนะหัวตาและจะัะทานให้ซึ่งความดีงามนี่แหละในวันกยามะก็จะเป็นสเสบียงนะครับให้เรานั้นกลับไปหาลอ่นั่นหมายความว่าคนที่มาเชื่อฟัง อัลลอฮ์ปฏิบัติตามนาบีเนี่ยไม่ใช่ว่านาบีจะเนรมิตเสกให้คนนั้นกลายเป็นคนร่ำรวยพอมาเป็นอิสลามปั๊บโอ้โหรวยแบบปิดหูพิดตาเลยอยูอ่ดีตื่นขึ้นมากระเป๋าตังแบงค์พันเต็มเลยอ่ะไม่ใช่อะ่ะพระเผอตังหายด้วยพอบริจาคบริจาคไปในขนทางของ Allah. อัลลอฮ์อ่าอัลลอ์ทรงตรัสแก รอศูนของพระองค์ว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันจะไม่กล่าวแก่พระเจ้าว่าฉันมีคังสมบัติคือฉันไม่ได้ครอบครองคำสมบัติของพระองค์อัลลอฮ์และก็ไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องนั้นนั่นหมายความว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้ใครอัลลอฮ์จะให้ใครจนใครรวยอยู่ที่พระอษฐ์ประสงค์ของพระองค์แต่ทุกอย่างมีฮิกมะมีวิทยาปัญญามีเหตุผล บางคนอัลลอฮ์ต้องให้รวยเอาไว้เพราะเมื่อเขารวยเขาจะทำดีต่ออัลลอฮ์เมื่อเขาจนทีใดเขาจะทรยศอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้เขารวยเอาไว้อันนี้รวยแบบดีอีกประเภทหนึง่งเนี่ยอัลลอฮ์ให้จนเอาไว้เพราะเมื่อใดที่เขารวยเขาจะทรยศต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงให้ความจนมีอยู่กับเขาตลอดไปนั่นหมายความว่าความจนที่เขามีอยู่นะอัลลอฮ์รักนะแอะนั่นเราไม่รู้หรอกว่าเหตุทุกวันนี้ที่เรายากจนอาจจะเป็นเพราะอัลลอฮ์รักเราก็ได้เพราะเรารู้ดีว่าถ้าเรารวยเมื่อไใ่เราจะลืมอัลลอฮ์ มีตังเนะี่ยพอมีตังปุ๊บไม่นั่งอ่า น, น ไ, ไนั่งอ่านอัศการแล้วไปตลาดนัดดีกว่าช้อปปิง้ง พ, พอวันนี้ไม่มีตังจะไปช้อปปิ้งอะไรไปก็ซื้อของอะไรไม่ได้นั่งอ่านกุฎอ่านนั่งอ่านอัศกาเนี่ยเออไม่มีตังกลายเป็นเรื่องดีนะอันนี้ตัวอย่างนะเอาต่อมาวะละอาละมูลรอยบิรอยบะและนบีของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้ในสิ่งเลึกลับ นบีไม่ได้รู้นะแต่อัลลอฮ์ให้นบีมีความรู้เปิดให้นบีเห็นนั่นหมายความว่านาบีจะพูดเรื่องเกียเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ได้มาจากจินตนาการของตัวเองนบีนบีไม่ได้รู้สิ่งเล่นลับด้วยกับตัวของท่านนาบีเองแต่ความรู้สิ่งเล่นลับนั้นมาจากอัลลอฮ์และฉันก็จะไม่กล่าวแก่พรเจ้าว่าฉันรู้สิ่งเล่นลับ ที่จริงสิ่งลึกลับนั้นอยู่ในความรอบรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นและฉันก็ไม่เห็นอะไรนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์จะเปิดเผยให้ฉันได้เห็นเท่านั้นอ่าเห็นไหมไม่ใช่ว่านาบีเนี่ยมีค่ะเรียกความอํานาจพิเศษเห็นด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ทางนั้นเลยอย่ามองท่านนาบีเป็นเหมือน อะไรเหมือนมาลาอิกะาไม่ใช่นะน บ, บีก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละแต่เอาละให้ความรู้แก่ท่านนะครับอา้าวต่อมาว่าแะกูรู้หละกุ um ้มอินนีมาลักเนี่ยและฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวเจ้าว่าฉันเนี่ยคือมาลักมาลักก็คือมาลาอิก้านั่นแหละมาลกักคือมาลาอิกะหนึ่งท่านส่วนมาลาอิกะก็คือมาลาอิก้าหลายท่านแต่เราเรียก รวมไปเลยว่ามาลาอิกะแต่มารักษ์แปลว่ามาลาอิกะหนึ่งท่านนะครับคือฉันจะไม่เคยอ้างเลยว่าฉันเป็นมารักษที่จริงแล้วฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอ์ได้วะฮีมาให้ฉันโดยให้เกียรฉันและให้ความโปรดปานแก่ฉันเท่านั้นและโดยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสเกี่ยวกับฉันว่าบอกว่าไงอิน อัตบิุอิลลายุฮาอิล uh ฉันจะไม่ปฏิบัตตามนอกจากสิ่งที่ถูกให้เป็นอยัยากือเป็นวาีแก่ฉันเท่านั้นแปลว่าสิ่งที่นบีปฏิบัตินั้นไม่ได้มาจากความคิดของตัวเองนะครับมาจากวาีที่อัลลอนั้นได้ประธานให้พูดง่ายง่ายว่าการปฏิบัติของท่านนาบนีไม่มีผิดอ อ่าแต่มนุษย์โดยทั่วไปน่มีผิดมีถูกแต่ถ้าตามนบีน่ไม่มีผิดนะเอาต่อมาตรงนี้หมายถึงว่านบีจะไม่ขัดในคำสั่งของอัลลอฮ์แม้แต่คืบเดียวหรือน้อยนิดเดียวก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ทั้งหมดอ่าก็ปฏิใช่เผยแร่ทั้งหมดไม่มีเติมไม่มีไม่มีปิดบังนะครับ กุลฮัลยัสตวีอะมาวัลบซีรจงกล่าวเถิดคนที่ตาบอดกับคนตาดีนั้นเท่าเทียมกันเหรอนะอฟละ ต, ะตะฟะาตาฟกรูนและพระเจ้าไม่ไขครวนดูดอกหรือ พ, พินิจพิจารณาเหรอนะอ่ะนี่ก็คือการที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกกับ น, นบีของเรานะครับ เอาต่อมานบีใช้อะไรตักเตือนฟอันซิร์บิฮิตละดีนะยาคอฟูเนียยุชารูอิลาลบบิฮิมอลัลลอฮ์บอกนะและเจ้าก็คือท่านนบีเนี่ยจงตักเตือนด้วยกับกุรานแก่บรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าเกรงกลัวว่าอะไร ไลซัลฮุมมินดูนิฮิวะลี่ยุนวะลาชาฟีอุลละอัลลัฮุมยะตะกูลเขากลัวว่าอะไรเขากลัวว่าจะถูกนำไปชุมนุมยังพระองค์ Allah, อัลลอฮ์ยังพระองค์พระพิบาลของเขาโดยที่อื่นจากพระองค์แล้วเนี่ยไม่มีผู้ที่คุ้มครองใดๆไม่มีการช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเพื่อว่าพาวกเขานั้นจะได้ยาเกรงต่ออัลล์มี อายะกุรอ่านหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกในทํานองคล้ายๆกันว่าวยะวยะชาอูแนรับบาฮุมวยะคอฟูแนซูอัลไฮซาบะจงยำเกรงอัลลอฮ์จงยำเกรงพระพูดอภิบาลของพวกเขาและให้มีความกลัวต่อบัญชีที่ชั่วเวลาจะทําชั่วเนี่ยให้คิดเยอะๆว่าไอ้บัญชีเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะเอามากลางให้เห็นไอ้ตอนทำเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเราทําคนเดียวในห้องหรือทำในที่ลับ แต่วันกิยามัติเนี่ยเอาลจะเอามาเผยต่อธารกรกานันทั้งหมดเลยอายเปิดเผ ย, เเยนะถ้าเราคิดให้มันลึกกว่านี้เราไม่กล้าหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้ยทั้งโลกเห็นหมดอะ่ะนะนั้นเวลาจะทำชั่วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันรวมถึงคนอื่นจะได้เห็นด้วยเว้นแต่ความชั่วนั้นเราได้ตับเตาบัรตัวแลวฉันเคยเล่าไปแล้วว่าความชั่วเนี่ยเอาลออภัยให้ ถ้าเราตบัดตัวแต่ตอนที่เอาลอสอบสวนเนี All ่ยเอาลอจะเอาเรื่องที่เราตบัดตัวเนี่ยมาสอบด้วยว่าทำจริงไหม <_ ixes> เราก็ยอมรับว่าทำจริงแล้วเราตบัดตัวแล้ว <_ S 1> เอาลอก็ไม่คิดบัญชีแต่ช่วงที่เป็นความชั่ว น, นั้นนะ่ะจะมีม่านมากัน้นที่ตบัดตัวแล้วนะจะมีม่านมากัน้นแสดงว่าสมมุติเราไปสีนามากับใครไม่รู้อาจจะสวยไม่สวยว่ากันไปแต่พอเราตบัตตัวเนี่ยเอาลอถามเราเรื่องสีนาเราก็ยอมรับแต่ตอน ภาพในการทำซีนานั้นจะถูกกันทั้งหมดไม่มีใครเห็นเอาล้อช่วยแต่ถ้าไม่มีการตบัด ต, ตัวไอภาพซีนานที่เราทำก็ถูกฉายให้เห็นเลยโอ้โหพี่น้องนะมันจะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนนะอายอนี่ก็คือเรื่องของการทำชั่วนะครับนะนั้นไม่ทำดีที่สุดแต่ทำไปแล้ววิธีแก้ก็คือตบัด ต, ตัวกับเนื้อกับตัว ولا ตาดารูดิลลาดีนยาด ع و บบ ب หุมบิลกอดาติ و ا ลอาชีอายะต่อมานะเ <ت ص في ق> จ้าจงอย่าขับไล่บรรดาผู้ที่วิงวอนตอพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งในยามเช้าและยามเย็นกอดาวะเวลาชีก็คือขอในยามเช้าในยามเย็นตรงนี้ปราฏอธิบายว่าหมายถึงใครนะกตาดาอัลฮัสันมูจาฮิสไซดบินมุไซยบ มุไซยับบอกว่าหมายถึงการละหมาดห้าเวลานั่นเองคนที่ละหมาดห้าเวลาอย่าได้ไปขับไล่สส่งเขาไม่อยากคบคือคบเฉพาะคนมีตังค์ถ้าคนจนแต่เขาละหมาดดีนะไม่อยากคบเพราะสมัยท่านรอซูนเนี่ยคนที่รับอิสลามช่วงแรกๆนี่คนอะไรคนจนทั้งนั้นเลยคนที่มีเกียรติในสังคมในตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่ค่อยรับอิสลามจนกระทั่งนบีต้องขอดูอานะระหว่างผมจําไม่ได้ว่าระหว่างละบูอบูละฮับล ะ, ะบูจหันนะนบีขอคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขอท่านอุมัตอลัลลอฮ์ตอบรับท่านอุมัตคือท่านอุมัตเนี่ยไม่มีความอิจฉาแต่มีคนเคยมาบอกกับ น, นบีบอกว่ามุฮัมมัดตอนนี้กําลังเผยแพร่ศาสนาทําให้เกิดความแตกแยกในมักกะอุมัตตอนนั้นยังไม่รับอิสลามก็บอกก็ข้ามันสิไม่มีอะไรคืออมัตก็ตอบด้วยแบบ นักเลงอ่ะปัญหาเยอะกว่าขาซะแอบตอบตอนนู้นนะ่ะคือไม่ได้มีความอิจฉาทิษยาอะไรแต่คิดด้วยกับนักยิสัยคนนักเลงอ่ะนักเลงสมัยก่อนเนอะมีปัญหามากกว่ากาจัดมันซะก็จบแต่พอวันหนึ่งที่อุมัดเจอสัจธรรมนะก็เปิดรับอิสลามเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นอบูละฮับอบูยฮานพวกนี้มันมีความอิจฉาไม่ใช่ว่ามันรู้เนะีรู้แต่ว่าอิจฉายอมรับไม่ได้เพราะอิจฉาปับ๊บเห็นคนอื่นเด่นไม่ได้ก็ ปฏิเสธนบีเหมือนยาฮูดนะครับคราวนี้อเ ล, ลาบาวยาได้ไปขับไร่สายสงคนที่เขาละหมาดฟัน ด, ดูห้าเวลาและยูรีดูนวัตจฮะเขาวิงวอนต่อลอชด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจนะมาออเลอิกามินไฮซาบิกามินใชยินบอกว่าไงโดยที่ในสภาพของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นภัย แก่เจ้าแต่อย่างใดหรือในสภาพของเจ้าก็ไม่ได้เป็นภัยเกียรเขาแต่อย่างใดพูดยังไงว่ามันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไร อ, ะอ่ะอ่าคือเขากระหมาดของเขาเราถามว่าเราเดือดร้อนไหมเขาละหมาตก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วเราจะไปยุ่งไปทําให้เขาเดือดร้อนทําไมเวลาเขากะหมาตก็ไม่ต้องไปยุ่งนะแต่พวกมุชลีกีเนี่ยทำการกันแกล้งคนที่ละหมาดในสมัยนั้นขวางหมดเลยคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นการเตืนอน นะครับอย่างหนึ่งก็คือเปรียบเทียบเหมือนสมัยนบีนัวสมัยนบีนัวเนี่ยคนที่รับอิสลามในสมัยนบีนัวก็คือคนจนและก็คนพิการมั่งคนพูดยังไงว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับชาวบ้านะอ ะ, อะไม่ได้เป็นคนหน้ า, หนาใหญ่แต่มีตําแหน่งฐานะไม่มีพวกเขาก็เลยบอกว่าเราได้เห็นผู้ที่ปฏิบัติตามท่านยเยอะเย้ย หมายถึงน บ, บีนัวเนี่ยคนที่กลุ่มหนึ่งมาดำโยนดำวินเนี่ยนบีนั ว, นบบนวคนที่ปฏิบัติตามน บ, บีด้วยเนี่ยพวกท่านน่ยในสังคมเนี่ยเป็นพวกที่ต่ําต้อยมากไม่ได้มีหน้ามีตาอะไรในสังคมเลยนะแล้วก็ยังกระตือรือร้นทํา ม, มหากินแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพวกเราเนี่ยประเสริฐกว่าพวกเราเนี่มีทั้งตระกูลที่ดีกว่าร่ํารวยกว่าฐานะที่ดีกว่าแล้วเราจะให้เราเนี่ยไปตามพวกท่านนะดูพวกท่านดิมีแต่พวกคนที่ ชั้นต่ำทั้งนั้นเลยโอ้ดูมันพูดอ่าดังนั้นในมุมตรงนี้เนี่ยเป็นการเตือนให้พวกเราเนี่ยอย่าได้เอาเรื่องของสถานะทางด้านสังคมเนี่ยมาวัดอ่าบางคนไม่ครบหรอกครับเพราะว่าอ๋อนี่จนอ่าไม่คบด้วยไม่เอาแต่ถ้าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเขาดูเรื่องอะไรดูที่เรื่องหัวใจถ้าเป็นคนดีก็เอาล็อตนี่หน้าครบ ามากกว่าคนมีตังแต่ไม่น่ารักกอลล์คนมีตังไม่น่ารักกอลล์เนี่ยไม่น่าคบเท่ากับคนไม่มีตังแต่น่ารักกอลล์เออเพราะเขาจะคิดดีกับเราเสมอนะครับอะต่อมาชไหนแล้วชไหนใดและและหตดใดเล่าเจ้าจึงขับไล่พวกเขา ถ้าเจ้าทำเช่นนั้นเท่าเจ้าก็จะกลายเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้อาธรรมนะจำได้ไหมท่านนาบีเคยถูกเตือนนะตอนที่นบีกำลังเผยแร่ ก, กับระดับหัวหน้าของพวกคุเรชอบบาสาวตวัลลานะนบีก็อับดุลลอฮ์อิบนูอุมีมักตูมเป็นคนตาบอดก็มาหานาบีก็อยากจะให้นบีสอนศาสนานั่นแหละแต่ปรากฏว่า นบีกาลังพูดกับคนที่อยู่ในระดับหัวหน้ากุณเดชคือนบีก็เนียดดีนะเนี่ยดีคืออะไรอยากจะได้หัวระดับหัวหน้าเนี่ยมารับอิสลามเพราะระดับหัวหน้าเมื่อมารับอิสลามเนี่ยมันมีผลเยอะไงอ่ามีผลเยอะสมมติคนรวยคนหนึ่งมารับอิสลามเนี่ยถามว่าสกาดอีเท่าไหร่อะในการช่วยเหลือคนจนรับสิบคนเขาก็ละหมาดอะทำนี่ละแต่มีสกัดไหมไม่มีแต่คนรวยสักคนหนึ่งมีสักพันล้านสมมตินะ เจ้าของเฟซบุ๊กมารับอิสลามสมมติมันรวยมากมาร์กซ์กระเบือกมารับอิสลามโอ้โหอากาศบานเลยเจ้าของเทสลามารับอิสลามโอ้โหอากาศก็คิดดีอ่าแต่ไอตอนทำตอนที่กําลังเผยแพร่อยู่เนี่ยมีคนจนหรือคนที่ไม่ได้มีหน้าในสังคมมาขอนบีก็เลยทําหน้าบึ้งแล้วก็หันหลังให้แต่ไม่ใช่ว่านาบีจะไม่สอนนะแต่ว่าไว้ก่อนกําลังสอนคนนี้อยู่ อลอจึงเตือนบอกว่าเวลาคนที่เขามาด้วยความจริงใจเนี่ยเอาความจริงใจไว้ก่อนไม่ใช่เอาฐานะไว้ก่อนถ้าคนจริงใจเขามาหาเราคนนั้นแหละคือคนที่คิดดีกับเราเราต้องเข้าหาเขาก่อนอ่าไม่ใช่เอาคนที่มีฐานะในสังคมแล้วก็ไปหาเขาก่อนดังนั้นเนี่ยการการอยู่คนจนแล้วก็ดีคนดีกับอลอเนี่ยบางทีมันทำให้เราสบายใจมากกว่านะแต่ไม่ได้หมายว่าคนคนรวยไม่ดีนะ อ่าแต่ถ้าคนรวยที่ไม่ค่อยสนใจศาสนาเนี่ยเคาก็จะคบเราแค่ผลประโยชน์เท่านั้นแหละนะครับอ่ะอมุมหนึงอ่อต่อมาวะกะซาลิกะฟัตันนาบาซอฮุมบิบาดิลิยากูลูอาฮาอูลาอิมันัลลอฮุอะลัยฮิมมินใบัยนีนามิใบัยนีนา อัลลอฮ์บอกว่าและในทํานองนั้นเราได้ทดสอบบางคนในหมู่พวกเขา อ, อีกด้วยอีกบางคนเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าชนเหล่านี้แหละชนเหล่านี้กันนั้นหรือที่อัลลอฮ์ทรงกรุณาแก่พวกเขาในหมู่พวกเราอัลลอฮ์นั้นมิได้เป็นผู้ทรงอัลลอฮ์มิได้เป็นผู้ทรงรอบรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ผู้ที่รู้คุณดอกหรือ อ่าอันนี้ขอดูตัำซีนหน่อยนะอ่าตรงนี้หมายถึงอะไรก็กล่าวถึงอันเดิมในแหละก็คือคนที่คนที่มารับอิสลามในยุคแรกเนี่ยเป็นคนที่ยากจนอัลลอฮ์ก็ทดสอบด้วยกะอี บ, บางคนอาจจะให้คนรวยเนี่ยมาทดสอบคนจนเออไอ้คนรวยมันถากถางคนยากคนจนไอ้คนจนเนี่ยจะมีความสบัดอดทนไหมจะคําถากถางนะ หรือคนอย่างมาื่อท่ที่ฉันบอกไปแล้วตอนที่นบีนัวโดนไอ้พวกคนนั้นบอกว่าเนี่ยพวกกลุ่มนบีนัวเนี่ยมีแต่คนต่ำๆเท่านั้นเลยฉันต่ำนั้นเลยเนี่ยถูกทดสอบนะแต่เอาล่อทรงดูดียิ่งในหัวใจว่าแต่ละคนเนี่ยหัวใจเป็นอย่างไรอ่นะครับต่อมาอายะสุดท้ายและอายะที่ห้าสิบสี่ว้อีเดจะอักัลละดีนายุมีนูนบีอายาตนา แล ะ, แล ะ, และเมื่อบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออายะของเราได้มาหาเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าขอความสันติจมมีแด่พวกท่านเถิดอันนี้คนดีมาหาพระผู้อภิบาลของเจ้าได้กำหนดความเอ็นดูเมตตาไว้ที่พระองค์แล้วแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมเลยไม่ได้เป็นที่รู้จักอะไรเลย เดินไปแทบจะไม่มีใครทักแต่ให้รู้ไว้เถิดว่าอัลลอ์นั้นได้ประทานความเมตตาให้แก่ท่านแล้วด้วยกับการที่ท่านรับอิสลามโดยการที่ท่านพักดีต่ออัลลอ์แจ้งข่าวดีนะสันติจงมีสาละามุนาัายละกุม้มกาตาบารอบบุกุมอลาลนับซีฮีอัลลอ์มะอันนาหูมันอามิละผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำนะอามิลมินกุม้มทาความชั่ว บิจฮ า, าละแปลว่าอะไรทาโดยที่เขาไม่มีความรู้พลาดไปแล้วสมัยก่อนความรู้ไม่ถึงทําพลาดไปแล้วไงต่อซุมมาตาบา้าและเขาก็กลับเนื้อกับตัวสำนึกผิดมินบ้าดิหลังจากนั้นเขาก็ปรับปรุงแก้ไขว่าสละแก้ไขใหม่ไอที่พลาดไปแล้วผ่ปล่อยมันไป ต่อไปเริ่มต้นใหม่ทำความดีลบล้างความชั่วในอดีตฟอันนาหูแท้จริงพระองค์คือผู้อภัยโทษพระองค์ทรงเมตตาเสมอหะดิษหนึ่งที่อิมามอามัดได้บันทึกเอาไว้มีรายงานจากอาบูเลยร์บอกว่าท่านรอสูลสุลลัลฮวาลัยวสซัลลัมได้กล่าวว่าลัมมากอดลอหคอลกรแกาจบฟีกีแจบินเมื่อ a ล l AH ได้เสร็จจากการสร้างสปปรรพสิ่งในโลกนี้หมดแล้วเอลอสร้างเสร็จหมดแล้วพระองค์ได้บันทึกเอาไว้ในบันทึกหนึ่งอยู่ณที่อารัชนะอยู่ที่อารัชเฝ้าก็อารัชอยู่ณที่พระองค์บนอารัชบันทึกเนี่ยอยู่ณที่พระองค์บนอารัชอินนาระมาตีบันทึกไว้เลยไงนะเขียนไว้เลยว่า อินเน่แท้จริงรอมตีความเมตตาของฉันกอลบัตโอบบีความเมตตาของฉันนั้นได้เหนือกว่าหรือชนะความโกรธกิ้วของข้าแล้วขอโทษดิความเมตตาของข้านั้นได้ชนะความโกรธกิ้วของข้าแล้วพูดง่ายง่ายว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีทั้งเมตตาและความและก็ทรงโกรธกิว้วแต่แน่แต่ว่าสิ่งที่เหนือกว่าคืออะไรคือความเมตตามีเยอะกว่า นะมีความเมตตาเยอะกว่าเหนือกว่าความโกรธนะแต่ถ้าทําไม่ดีเอาล้อก็โกรธนะไม่ใช่เอาล้อเมตตาหมดอ๋อคนไม่ชัว่วก็เอาล้อเมตตาไม่ใช่เอาล้อโกรธแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นคือเอาล้อพร้อมให้อภัยเสมอสําหรับคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะครับ อ, อ่านต่อนะอายะที่ห้าสห้าถึงห้า หมดไหมหมดไหมหมดเลยนะว่าแกَดลิกานุฟัสซิลุลแอยาตีวาลิตัสเตบีเนซาบิลุมม وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجَرِمِينَ อมุจริมีนนะมุจริมีนอันนี้หมายถึงผูก้กระทำผิดมุจริมมุจริมพวกนักโทษคนทำผิดอ กَล uh ินَนَุิทَอัَอาบَดَลَีَนัตตَดงน์นไม่ดูนَลลา อีรอบกอินนีนุฮิตุอันอบูดัลละดีนะตเดะอูนัมิอูนิล จบนะุกอักุมอักุมละกันคุลละตบิอวะอกุม قل لا ب ع أهواءكم قل لا تبع أهواءكم قد ظل قد ض َ ل الطئذو َ م ا أنا من المتدين บาดดัลَต์ไดَววมะอานามินัลมุหทาดี์อ่าอันนี้อ่านอาณานะมีจะมีตัวก้มๆขี่อยู่ตรงอลิฟนะครับอาณา ไม่อ่านอ่านุลอินนีุลอินนีอลาบยนติม hmm. ิรบบีว่าบตุบี อย่าล awesome, ืมนะมีมตายพบบาอ่านนวงเสียงด้วยนะครับรอบหนึ่งกุลอินนีอาลาไบนัิมมิรรบบีวกะฏะบตุมบี ل ُ و ن ด بِهِ إِنِ ا ل ْ ح ُอْ م ُ إِلَّا لِلَّهِ ใน الحكم ิ إلا لله يقص الحق وهو خير ا, إ وه ل ف ا س ِ ي ن กล่าวว ن าน่าอินดีไม่ต้องเสียเวลานับให้แล้วดีเรื่องอื่นอ والله أعلم بالظالمين وعنده بال مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا อูอ่าฮูนะอ่าฮาสละอูวาวก็อ่านใส่ใส่ดอมมะไปที่วาวเลยก็ฮูอิลลาฮูอืมอีกรอบหนึ่งว่าอินเดหูมาฟาติหุลกยบลายะเลมูฮา إ ِ ل َّ هُوَ و إ ِ ن د َ ع ه ُ مَا ف َ ت ِ ح ي ا ل ْ غ َ ي ِْ ب ِ لَا م ُ ل َ ا س ِ ب َ ة َ إِلَّا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ อ่าบาร์แล้วมีตัวรอบาร์แล้วก็มีตัวร่นี่นะบาร์บาร์ไม่ต้องไม่ต้องถึงรอชัดนะไม่ใช่บารี่นะบาร์บาร์แล้วก็มีรอข้างหลังอ่าปลายรอปลายลิ้นกีบอกร อ, อยู่ที่ปลายลิ้นเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีตัวรรนี่ความหมายเปลี่ยนเลย เพราะบัตตอนนี้แปวลว่าทะเลนะครับทางน้ำบัตรตอนนี้ทางบกอ่าเรามาดูกัว่าย่าลืมว่าฟิลบรริวัลบาห์ وَرَقَةٍ يع إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ใน ظلمات الأرض ว ل َ الأ ولا ولا ا ะَ ط บ ب ٍ و لا ي ب ِ س ٍ إ ِ ل ا في كتاب مبين ความหมายนะครับว่ากาแดริกานูฟัสซิลซีรุ่อายาตและในทํานองนั้นอลัลลอฮ์บอกในทํานองนั้นเองเนี่ยก่อนที่อลัลลอฮ์จะก่อนหน้านี้ที่อลัลลอฮ์บอกว่าเรื่องของการลงโทษนะคนที่ปฏิเสธเครื่องหมายปฏิเสธการเป็นนบีนะแล้วอลัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความเมตตานะกับคนที่ ละหมาด5้าเวลา น, นะตรงนี้ก็ใช้คำว่าลํำลึกถึงอัลลอฮ์ในายามเช้ายามยินนะครับ <c oughs> อัลลอฮ์ได้นุฟัสซีรุนอายะได้แจกแจงเครื่องหมายต่างๆอายะทั้งหลาย <c oughs> วาลิตัสเต บ, บีนะเพื่อและเพื่อที่วิถีทางอ่าและเพื่อที่วิถีทาง เซบีลุลมุเจรีมีนเป็นวิถีทางของผู้ที่กระทำผิดได้ประจักษ์ชัดคือเวลาที่มีการจำแนกแยกแยะเนี่ยมันจะเห็นเลยอันไหนของดีอันไหนของไม่ดีเด็ออกไหมอ่าในบ้านเราเนี่ยสมมติมีคนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องศาสนาเราก็จะเห็นในความดีของเขาต่างๆมันก็จะดีไปหมดอะ่ะถ้าสนใจเรื่องศาสนาไนะอ้คนนี่ไม่เอาศาสนาเลยก็จะ เห็นความไม่สบายลู ก, ลกตาเห็นแล้วก็นะมันขัดลูกตาขัดหูขัดตาเห็ไหมคนไ ม, คนไม่เอาอ่ะนะมีอยู่นะฉันขับรถปากซอยผ่านปล่อยยาขายน้ำท่อมพอมองเข้าไปเนี่ยมันขัดหูลูกหูลูกตาเหลือเกินนะเห็นสภาพแล้วเออแต่พอไปที่มูซอนลาไปละหมาด เห็นคนมาละหมาดเห็นแล้วมันก็สบายลูกหูลูกตาเออเนี่ยเขามาละหมาดแต่งตัวดีพูดจาไพเราะให้สาลามกันห้ามนูริล่าเอาลอตแจกเขาเรียกว่าแจกแจงไปหมดแล้วอันไหนทางดีอันไหนทางชั่วนะและคนที่มุจริมมุจริมหมายถึงคนที่ทําผิดก็จะปรากฏชัดนะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดกุญอินนีนูฮีตุจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงเนี่ยฉันถูกห้าม หมายถึงตัวท่านนาบีเนี่ยถูกห้ามถูกห้ามเรื่องอะไรไม่ให้เคารพสาการะบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนกันอยู่หมายถึงจเจวตนะหรือคนตายไปแลว้วแล้วก็เอามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยที่พวกมุชลิมนเนี่ยทำไมถามว่าทำไมนบีไม่ทำตามที่ปู่ย่าตายายนั่นได้ทำเอาไว้ล่ะเขาทำกันมาสมัยนมนาแลว้วอ่าแล้วอยู่ดีนบีก็จะมาห้ามและก็ปฏิเสธเนี่ย นบีมอมัยก็กล่าวว่าแท้จริงเอาล้อให้นบีกล่าวว่าฉันถูกห้ามไงก็คือเอานบีเนี่ยถูกห้ามมาไว้ไม่ให้ทําการเคารพสักการะบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนขอกันอยู่อื่นจากอัลลอฮ์แต่ถ้าพวกเจ้าขอกับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกันนะ่ะเนี่ยอกไหมถ้าพวกเจ้าสาบานกับล้อฟังคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็สาบานต่อล้อเหมือนกัน แต่วิธีการทําอิบาดาเนี่ยเขาไปผ่านสื่อไปผ่านจวเจวิตไปผ่านชีริกเนี่ยมันก็เป็นเอามาเคียวเคียงกับอัลลอฮ์แต่เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ตายให้เป็นให้ดิสกี้เขาเชื่อแบบนั้นแต่ในภาคของอิบาดาไม่ได้ให้อัลลอฮ์อย่างเดียวจงกล่าวเถิดว่าฉันจะไม่ปฏิบัติตามความใคร่ของพวกเจ้าความใคร่ก็หมายถึงอะไรทําตามอําเภอใจ ความความใครใ่ในในในมุมของในของอะไรนะในในมุมของของผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีความใคร่ก็ต้องเป็นความใคร่ที่อยู่ในกรอบของศาสนาเช่นในกรณีของการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยแน่นอนแหละมันคือช่า ว, วะมันคือความใคร่แต่แน่นอนว่าอันนี้อยู่ในกรอบศาสนาแต่ถ้าเกิดเอาความใคร่นี้ไปใช้กับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยานั่นแหละเป็นสิ่งที่ต้องห้าม และในเรื่องอิบาด้าเนี่ยเราจะใครไปเคารพสักการะสิ่งอื่นไม่ได้ต้องอัลลอ์เพียงพระ อ, องค์เดียวใครตรงนี้ก็หมายถึงกระเคียนกระหือรือนะอแทบจะห้ามจิตห้ามใจไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ปัดห้ามเราก็ต้องระงับให้ได้อยู่ในกรอบถ้าเช่นนั้นฉันจะฉันก็จะย่อมหลงทางผิดไปด้วยถ้าทำตามพบท่านที่พันบอก เราก็หลงผิดไปด้วยนั้นของผิดทําตามไม่ได้นะแล้วเราจะอาศัยบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรซื้อใจก่อนได้ไหมไม่ได้นะอ๋อทําไมยังทําผิดกับเขาล่ะอ๋อฉันต้องการซื้อใจให้เขาให้เขาเลยนะให้เขาไว้ใจเราเดี๋ยวเราค่อยสอนไปดูใครซื้อใจใครสุดท้ายไปอยู่กับเขาแล้ว <c oughs> เออถ้ามันมีของผิดนะฉันบอกก่อนนะ <c oughs> ของผิดร่วมไม่ได้เหมือนกับที่นบีเนี่ยปฏิเสธทําไมไม่ ม, มาเคารพสักการะเราด้วยล่ะก็แบ่งกันคนละปีอ่ มหาบูตอเล็ฟมาบอกว่ามุฮัมมัดนะเจราจาใหม่เลยเดี๋ยวพวกเราจะรับอิสลามปีหนึ่งปีนี้เราจะละหมาดตามท่านหมดเลยเอาอรลเอาเราองค์เดียวแต่พออีกปีนึงนะพวท่านก็มาทําเหมือนเรานะสลับกันพระหุวัฒนธรรมถ้ได้รวมกันได้เอาเราจึงลงมาล้กุมดินกุ้มวาลียดินอ๋อไม่ได้ละศาสนาต้องแยกกัน อ่าถ้าเป็นเรื่องสังคมรวมกันได้ไม่เป็นไรแต่ศา ส, ะสะนาคุณเข้าวัดไปเราก็เข้าสุเราอ่าทำอิบาดาหนะ่ในตามความเชื่อของคุณนะ่แล้วก็ในความเชื่อของเราเราก็เป็นอิบารดาตามที่อบีตามตามที่อัลลอฮ์ได้กําหนดเอาไว้เรื่องศา ส, ะสะนาเราไม่ปนกันนะครับอ่าต่อมาถ้าเช่นนั้นฉันก็ย่อมเป็นผู้ที่หลงผิดไปด้วยอย่างแน่นอนและฉัน ก็จะไม่ใช่คนหนึ่งในผู้ที่ได้รับมุฮตาดีนได้รับทางนำอากุล <c oughs> <c oughs> จงกล่าวถธอมูฮัมมัดอินนีอลบัยนนติมมิรับบีวกซบตุมบิจงกล่าวถธอมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันอยู่บนหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อวิบาลของฉันอ อ, อยู่ในคุรานอยู่ตามาทปฏิบัติตามคุรานในขณะเดียวกันที่พระเจ้าก็ปฏิเสธหลักฐานนั้นออใครเชื่อก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามใครปฏิเสธก็กลายเป็นพวกหนึ่งคุรานเนี่ยมาแยกไงมาแยกระหว่างคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาออที่ฉันนั้นไม่มีสิ่งที่พระเจ้ารีบเร่งกันดอก อ่าเดี๋ยวดูนะมาอินดีมาตัสตาจีลูนบีแท้จริงอินนิลฮุกมุอิลอิลาลิลลาการชี้ขาดนั้นไม่ใช่สิทธิ์ของใครอื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นคือพวกนี้มันก็ท้าทายท้าทายเรื่องอะไรเนี่ย้าผู้ันเร็วจริงนะให้อัลลอ์เนี่ยส่งกรมดานมาเลยลงโทษเลยเอาให้เราเนี่ยศูนพันไปเลยว่า นบีนบีบอกว่าอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของ Allah. อัลลอฮ์แะไม่ใช่ฉันจะไปบอกอ้าวจัดการไม่ใช่กระท้าทายไปแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องการตัดสินน่ะคุณอาจจะรอดในโลกนี้แต่โลกหน้าก็ไม่รอดเหมือนกับตอนสงครามบาดัดกับสงครามอุฮุด ต, ตายพอๆกันตอนบา ด, ดัดพวกนั้นตายเยอะพวกมุสลิมมุจฮีดีนคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ แต่อบูซุบยานตอนนั้นยังไม่ได้ยุสานก็ตะโกนบอกว่าเป็นไงวันนี้ล้างแคนพรูเราตายพวกแกก็ตายเหมือนกันอะไรนะสะใจแล้วสะใจกันแล้วได้ได้รับแล้วออุ ม, มัตบอกว่าอ๋อไม่ใครอะแต่อุ ม, มัตก็นบีให้ น, นบีให้อุ ม, มัตตะโกนบอกว่าคนที่ตายของพวกเจ้านะ่ยอยู่ในนรกส่วนพวกเราที่ตายเนี่ยนะอยู่สวรรค์ตายเนะี่ยเหมือนกันแต่ไปคนละที่ไอ้ที่พวกแกตายเนะี่ยไปนรก แต่ส่วนคนที่ตายวันนี้คือคนที่อัลลอ์ให้เกียรติเป็นฉ ه ีตสวรรค์มารอแล้วเหมือนกันไหมล่ะไม่เหมือนตายเหมือนกันแต่ไปคนละที่นะอ้าวต่อม า, เ, อาเรื่องการตัดสินเป็นของอัลลอฮ์ยากุสุลฮักนะนอกจาก เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นโดยที่พระองค์จะทรงเล่าความจริงนะและพระองค์เป็นผู้ที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้ที่จำแนกนะจากความจำแนกความจริงออกจากความเท็จคอยฟาสฟาซีลีนอันนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะฟาซีลีนตอนนี้ไปถึงว่าฟาซินหมายถึงคนที่แยกระหว่างความเรียกเอาความจริงออกจากความเท็จอ่า ครั้นี้มันมีฮะดิษบทนึงมันมีหะดิษบทนึงที่มันอาจจะอธิบายความให้ชัดเจนก็คือว่า อ, อท่านหญิงไอาชาได้ถามท่านรอซูลุสละลอฮฺมาในอัลลามว่าท่านรอซูลของอัลลอฮฺเคยมีวันไหนที่มีความรุนแรงมากไปกว่าวันสมรรภูมิอุฮุดไหมท่านตอบว่า ลาคดกีตูมินเกาความจริงเนี่ยฉันได้พบกับกลุ่มชนของเธอของเธอก็หมายถึงของท่านหญิงท่านหญิงอะไรท่านหญิงไอชาว่กานอาชชดและปรากฏว่าที่รุนแรงที่สุดที่ฉันได้พบกับพวกเขาก็คือคนอก็คือวันอัอกอาบะ เมื่อฉันได้เสนอตัวต่ออิบนูอับดียาลีนอิบนูอับดินกูลนนี่ชื่อคนนะแต่เขาไม่ตอบรับฉันอย่างที่ฉันต้องการและฉันจึงเดินออกไปโดยที่ใบหน้าของฉันเนี่ยมันหม่นหมองผิดหวังกะว่าน่าจะรับแต่สุดท้ายผิดหวังคือคนเราเนี่ยถ้ามีความหวังเยอะเวลาที่ไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ยมันก็จะ ผิดหวังหนักเลยก็ไปแบบหมุนมองเลยนบีไปหน้าเจรอนเลยนะเขาหน้าเจรอนหน้าหมุนมองเลยมารู้สึกตัวทีเนี่ยเดินมาถึงกรอสมันชื่อสถานที่หนึ่งชื่อว่ากรอสกรอสอันซาอาลิปนะกรอสอันซาอาลิปอ่าซาลิปอ่าตัวซาตัวอีนตัวลมตั ว, ตวาบากรอนุนซาอลิปแล้วฉันก็เงยศีรษะขึ้นไปยันท้องฟ้าก็ เห็นก้อนเมฆลอยอยู่เหนือฉันฉันก็เพ่งมองดูก็เห็นจิบรีนอะลาฮิสลามและเขาก็ได้ร้องเรียกฉันฉันจึงกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงได้ยินคําพูดของกลุ่มชนของท่านที่พูดกับท่านก็คงเป็นคําพูดที่ถากถางพูดจาไม่ดีเนาะและคําพูดที่พวกเขาได้โต้ตอบกับท่านแล้วพระองค์ได้ทรง นะเจ้าแห่งภูเขามายังท่านนะเจ้าแห่งภูเขามายังท่านเพื่อที่จะให้ท่านได้ใช้ให้เขาทํากับพวกนั้นตามที่ประสงค์มาลิกาทีดูเลภูเขาใช้ได้เลยอยากจะให้ภูเขานี้ทำยังไงก็จัดการได้เขาเล่าว่าและเจ้าแห่งภูเขาก็ได้ร้องเรียกฉันและกล่าวสลามแก่ฉัน นะหลังจากนั้นเขาก็ได้กล่าวว่าโอ้มอมัดแท้จริงเอาลอสส่งได้ยินคำพูดของกลุ่มชนของพวกท่านที่ได้พูดกับท่านแล้วและพระพุทธบาลของ ท, ท่านได้ส่งฉันมาส่งม า, ม า, มาเาริกานนะเพื่อที่ท่านจะได้ใช้จัดการตามที่สิตามที่ท่านประสงค์หากท่านประสงค์ฉันจะพับพื้นระหว่างสองภูเขาจัดการพวกเขาเลยพือเอาภูเขาเนี่ยพับ ยกมาแล้วพับพับก็หมายถึงอะไรล่ะกับหัวกับดินเนีพับเลยก็หมดเน่าบเป็นหน้าราบเลยนะพลิกแผ่นดินเลยเอาภูเขาทับเลยนะท่านรซูนบอกว่ายาเลยหวังว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ความให้ผู้ที่เคารพพรกดีต่อ ALL AH. อัลลอหมายถึงคนก่อนหลังจากเนี้หวังว่าเขาจะได้ศรัทธาต่ออัลลอ์นะไอตอนนี้เขายังปฏิเสธแต่ในคราหน้าเนี่ย ด้วยกับอนุมัติของล้อเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีก็ได้โดยไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อล้อแล้วออกจากก้มกบของเขาด้วยเถิดนะหมายถึงเวลาที่เขาตายไปเนี่ยเราก็จะถูกย่อยสลายนะจนกระทั่งเหลือก็ดูก้นกบวันที่เราตายไปในสภาพที่ไม่มีชีริกเนี่ยต่อให้เป็นคนเลวทําความผิดอย่างอื่นนะแต่ถ้าไม่มีชีริกเนี่ยสุดท้ายบันรรายก็ยังได้เข้าสวรรค์นะก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดคือชีริก คราวนี้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสองภูเขาเนี่ยในรายงานบอกว่าภูเขาเนี่ยอยู่ทางภูเขาลูกหนึ่งนะอยู่ทางทิศเหนือของมักกะอีกลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของมักกะอยู่คนละฝั่งแต่เวลาพับนี่พับระหว่างก็คือมักกะทั้งหมดเอาเราจะให้นบีจัดการได้เลยถ้าประสงค์ปับมักกะนี่หายไปแล้ว เอาแล้วถ้ากฏมักกะหายไปเนี่ยพอเราจะไปทําอุมรอทำพัดกันยังไงอะยุ่งเลยนะเออดังนั้นเอานาบีจึงขอดูอาให้อัลลอฮฺประวิงเวลาจนกระทั่งเป็นการพิชิตมักกะแล้วคนในมักกะเองก็มาเปลี่ยนมารับอิสลามแต่ตอนนั้นด้วยความด้วยความการดูถูกเหยียดหยามของชาวมักกะเนี่ยมันก็ที่สุดแล้วนบีละหมาดอยู่ขอโทษนะเอาไส้อูดมาทุ่มเอาเท้ามาเหยียบหน้านาบีงี้เอาน้ําเอาน้ำมาระท่านนาบีฆ่าผู้ศรัทธา ใครล่ะท่านหญิงซุมาหยาถูกห อ, อกแทงช่องคลอดเอาห อ, อกแทงช่องคลอดจนกะทงเสียชีวิตไม่จะแทงทิดอกนะแทงช่องคลอดนะใครอีกหลายคนยยยความโหดร้ายของไอ้พวกเนี้ยจึงไม่แปลกที่อัลลอฮ์บอกว่าจะเอ า, าภูเขาพับมันเลยนะแต่อัลลอฮ์แต่ Allah, แตนบีด้วยความเมตตานะด้วยความอ่อนโยนของท่านนาบีนบีบอกว่าไว้ก่อนอ่านะขออุดมให้อนะัลลอฮ์เนี่ยเปลี่ยนพวกเขา ให้เขานั้นได้รับอิสลามได้เขาเป็นคนดีนะแล้วก็เห็นภาพถึงทุกวันนี้นะอ่ะเอาต่อมาตายนะทนายโซมัยาเป็น ش ه ي เป็นผู้หญิงที่ได้ช ه ีดคนแรกแม่ของอัมมัดบินยาซิดนะครับนะเ้าต่อมาเอา่อว่าอินดดหูามาเฟติฮุลโอยบีลายหญลมุฮอิลลาหู และที่พระองค์ทรงมีบรรดากุญแจแห่งความลึกลับมาฟ่าเตี้แปลว่ากุญแจนะกุญแจแห่งความลึกลับนะครับซึ่งเรื่องลึกลับเนี่ยอัลลอฮ์ปิดเอาไว้จะเปิดเฉพาะพระองค์ทรงประสงค์มีอะไรบ้างมาฟ่าเตี้กุญแจแห่งความลับที่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีรู้หรอกเราทำยังไงก็ไม่รู้ Allah กล่าวไว้ในสูโรลุกมานไงอินนัลลอฮะอินดะหูอิลมุสซ่าประการที่หนึ่งห้าอย่างคือวันเกียรมะจะเกิดขึ้นเวลาไหนไม่มีใครรู้แต่วันศุกร์แน่นอนไม่รู้ศุกร์ไหนนะต่อมาวันอวสานของโลกไม่มีใครรู้นะยกเว้น Allah เท่านั้น วัยันวัยยนัซีลุลกอยดและพระองค์เป็นผู้ประทานฝนลงมาฝนนี่เราก็ไม่รู้หรอกไอที่ดูกรมอุตุเนี่ยขาดการเท่านั้นแหละอ่าบางทีกับบอกจะตกสุดท้ายเราก็ไม่สักผ้าแดดเปรี้ยงนะวันไหนบอกว่าวันนี้ไม่มีฝนเตรียมตัวตากปากผ้าเลยฝนมา มันก็แค่คาดคะเนแต่คนที่จะรู้แท้จริงก็คืออัลลอฮ์ตอนนี้มีแดดแล้วเชาร้อเออชาเมื่อวานก่อนยังร้อนอยู่เลยนะวายาและมูมาฟิลอาหามสิ่งที่อยู่ในคันมันดาตอนตั้งคันไม่มีใครรู้หรอกครับไอที่อันตะซาวก็เบื้องต้นเบื้องต้นไม่ไม่ได้รู้ลึกว่าขนาดไหนเป็นยังไงมีปานไมไม่รู้หอก มันถึงคลอดออกมามีปานมีอะไรแต่ถ้าเป็นไอลักษณะพิการเนี่ยมันก็อาจจะดูบางอย่างได้แต่รู้ว่าพิการแล้วทําอะไรได้อ่ะก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีอจะฉีดเข้าไปรักษาตอนนั้นก็ไม่ได้คือถ้าพิการไปแล้วก็คือพิการเลยอย่างที่เคยบอกอะถวต์ออกมามือมือมีมือขาดไปข้างนึงมือด้วนออกมาไม่ได้แปลว่าพอคลอดออกมาเลี้ยงไปเรื่อยมือจะงอกนะคือถ้าจะสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ในท้องพาออกมาพิการก็พิการไปตลอดชีวิต น, นนี้เป็นเรื่องที่เอาลลอให้พิเศษสำหรับตอนที่อยู่ในคันมันดาต้องสมบูรณ์ถึงจะออกมาถ้าออกมาไม่สมบูรณ์ก็จะพิการไปตลอดว่ามาตาดารีนับซุนมาตักซิบุกอดาประการที่สี่แล้วนะไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่มีรู้เลยพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้แต่ที่ไม่ใช่รู้แต่ที่ค า, าดหมายท่านนนะ่ะเป็นการคาดหมายพรุ่งนี้จะเป็นอย่า ง, งั้นนี้ แต่จะทําได้ถึงเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้วอลลอห์วายแลมและสุดท้ายครับประการที่ห้าวามาตาดรีนับซุมบีไออัรดินเตมูตแผ่นดินตรงไหนที่จะเป็นที่ตายของเราไม่มีใครรู้อ่าบางคนอาจจะตายบนเตียงบางคนอาจตายกลางถนนบางคนไปตายมักกะบางคนไปตายว่ากันไปตรงไหนก็ไม่รู้เป็นทั้งที่หนึ่งแหละที่เอาล็อกําหนดเอาไว้แต่แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาตายแน่นอนไม่มีใครหนีได้ ถ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีคนก็ถามวาสมัยก่อนมีเครื่องบินตกตกกลางทะเลแถวแถวบาร์ซิลอะไรเงี้ยนะทะเลลึกเลยแล้วก็คนเนะี่ยตายทั้งลําแล้วมันมีเด็กประมาณเจ็ดแปดขวบมาเกาะปีกเครื่องบินอยู่เออแล้วมันก็รอดนะรอดเป็นแบบหลายอาทิตย์เลยนะคือถ้ามองในมุมเนี่ยมันจะรอดอยังไงวะเด็กด้วยแล้วมันจะหาอะไรกินแต่รอดอา่าก็มีคนถามมาทําทไมมันรอดก็บอกว่าอ๋อไม่อยากมันยังไม่ถึงที่ตาย ก็แค่นั้นแหละก็ <g ül> ไม่รู้มันรอดอยังไงแต่ว่ายังไม่ถึงที่ตายเลยมันก็ยังไม่ตายมันก็คือรอดต่อให้ตกกระบินตายกันทั้งรำไอ้นี่รอดมันก็รอดได้เพราะมันยังไม่ถึงที่ตายก็แค okay, นั้นแหละอย่าไปคิดเยอะนะอ้าวต่อมาอกุญแจโดยไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นรู้ไหมห้ากุญแจนี้ไม่มีใครรู้ <c oughs> นอกจากอิลลาหูนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละ วายาและมูมาฟิลบริวลบารและพระองค์ทรงรับทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและก็ในทะเลใต้ดินมีอะไรอัลลอฮ์รู้หมดในทะเลมีอะไรอัลลอฮ์รู้หมดแต่มนุษย์ไม่รู้รู้ได้ก็ต้องไปสำรวจไปขุดไปก็ไม่รู้ว่าเจอมั่งไม่เจอมั่งนะและก็ความรู้ของอัลลอ์ก็คือไม่มีใบไม้นะ ใบใดที่ร่วงหลน่นนอกจากพระ อ, องค์ทรงรู้รู้แม้กระทั่งใบไม้หลน่นใบไหนร่วงใบไหนร่วงเวลาไหนอัลลอฮ์รู้ละเอียดหมดเลยนะนอกจากพระ อ, องค์ทรงรู้ไม่มีเมล็ดพืชใดที่พระ อ, องค์อ่าที่พระ อ, องค์เขาเรนะียกอะไรเกินความเกินกว่าความรู้ของอยู่ในความรู้ขงหมวดวานไปเนี่ยจะรู้แม้วเม็ดไหนมันด้านมันขึ้นแต่รอทรงรู้แล้วซึ่งอยู่ในความมืดในแผ่นดินเม็ดเนี่ยอยู่ใน ใต้ดินน่ยอัลลอฮ์ก็รู้ไม่มีสิ่งเปียกชุ่มใดหรือสิ่งที่แห้งผากใดนอกจากบันทึกอันชัดเจนทั้งหมดอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วอันนี้เปียกอันนี้ชืน้นอันนั้นอยู่ในดินอันนั้นขึ้นมาตอนเนี้ถึงเวลามันจะงอกวันไหนอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วบางคนรถเท่าไหร่ก็ไม่งอกสักพักหนึงอีกคนหนึ่งมารถงอกเอออยลืมกล่าวบิสมิลลาห์ะนะรถทุกวันไม่กล่าวบิสมิลลาห์บรารักัตไม่มีก็ขอดูอา นะบางคนเอาลอให้ปลกูกปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ขึ้นมีนะหยิบไอ้นันปักขึ้นไอ้นันปักขึ้นไอบ้บางคนเนี่ยปลูกปักยังไงก็เหี่ยวปักยังไม่ขึ้น <laughs> ก็ให้เรารู้ไปเชียบหนาจเรามอบหมายกับอลลออ่าบางคนมันมีคนมันมันแล้วแต่บางคนทําอะไรก็บางคนทําอาหารเก่งไะเห็นเขายโยนโยนใส่ไปเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยเฉยเลย ไอ้คนเนี่ยทำอาหารไม่ค่อยเก่งโอ้โหอุซาวัดอุตซาตวงทักอยางเป๊ะเลยกินไม่ได้เนี่ยคนเดาไม่ไม่มีใครหรอกที่จะสมบูรณ์ไปทั้งหมดนะไอ้คนเก่งคนไหนก็ชำนาญเลยเขาก็จะชำนาญไปนะครับคนไหนมันไม่ชำนาญทำยังไงมันก็ไม่ชำนาญก็ตามนั้นนะแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่อัลลอ์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งมนุษย์เดามีรู้แบบมีขีดจากัดนะครับอ่ะอ่านต่อนะ وَهُوَ الَّذِي ي, ي َ ت َ و َ ف َّ ا ك ُ م ب ِ ا ل ل َ ي ْ ل ِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ อีรอบนะวะหَุัลลอฮีอัตวาฟَุมบิลไลลิวยَ م ُมมาจา رح ตุบินน่าฮาร ث ُ م มّ ي َ بعث คุม ف ِ ي ์ลี่อัลกัَาอะจัลุมอุส م มมา อาจลุมมูสัมมาอันนี้นะแล้วก็ตรงลี่ยุกโดนะครับอีกรอบหนึ่งสุมมายาบะสุคุมฟ um ีฮิลิยุกโดอาจลุมมูสัมมา ทุ่มไม่เลยฮิมาร์ُิอุคุมทุ่มไม่ยูนับบิอุคุมบีมาُ م ตุมตั้งมาลูน ว ه ฮ์วะล์ล์ก่าฮิรุฟะอุก่าฮิ มรณะลก็ย้อนอิาจวยุร์ซิลูอัลัยคุมฮะฟา إ ะอัฮะดะคุมุลมรณะ อ่าอ่าฮะดะนะมีอลิษสองตัวนะอีเดจอ่าฮะดะคุมุลมาอุตตาวัฟฟัดฮุรุซูลนาวะฮุมลริต ฟ م ตฮ์หูทุ่มมารุดดูอีลาอัลลอฮิมะลลาหุมุลฮ ซุมมารุดดูอนะีละลอฮิมะลาหุมุลฮะ อลาลห์ลฮ ال ุกมุวาอสรอุลฮบินอัลลาห์ลฮุกมวาอัสร ا อลฮ اسي บินอ่าอัสร ا อันะอัสรนะอัสรองอัลฮ اسي บินเอามาดูความหมายนะครับ และพระองค์ว้าหัวพระองค์ก็คืออัลลอฮ์คืออันลดีคือเยตะวัฟฟากุ้มบิไลนคือผู้ที่ใหผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลางคืนอันนี้ตายอะไรตายตายเล็กอ่าตายเล็กนะตายตรงนี้หมายถึงนอนหลับนะครับอลัลลอฮ์ใช้คําว่าตะวัฟฟากุม้มเหมือนในดวอาที่เราอ่านเลยเนะ แต่ว่าฟากุ้มบินไลวัยวลมบะวัยละมุมาจาระตุมบินนะฮะและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำในเวลากลางวันกังคืนนอนกลางวันเราทำอะไรอัลลอฮ์รู้หมดนะซุมมียบะฮ์สูกุมฟีฮีและก็ทรงให้พวกเจ้าเนี่ยฟื้นคืนชีพในเวลานั้น หมายถึงตื่นนอนฟื้นคืนชีพตรงนี้ก็หมายถึงตื่นนอนขึ้นมาจากการตายเล็กลียุโกโดอาเจลุมมุซั ม, มาเพื่อให้เวลาแห่งอายุไขที่กําหนดไว้นั้นได้ถูกใช้ไปให้หมดแปลว่าอะไรแปลว่าทุกวันที่เราตื่นมาเนี่ยอายุเราก็ลดลดลงทุกวันนั่นแหละถูกทุกวันเนี่ ย, น เ, นยเราใช้อายุเราทุกวันมมเอาล้อให้เราสมมุตินะ6กสิบ ตื่นขึ้นมาก็อายุหายไปวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็หายไปวันนึงตื่นมาวันทันจนกระทั่งถึงอายุหกสิบก็ตายแต่ครนี้ประเด็นก็คือบอกไปแล้วว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะตายเวลาไหนวันไหนนแผ่นดินไหนจ้าฉันเอาสะเจ็ดสิบขอนะตอนนี้ก็เหนื่อย <laughs> <laughs> ตัวไปสเต็ปไป <laughs> โอ้ความตายของบางคนเนี่ยเป็นการพักผ่อนนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วไปรอไปรอรับรางวัลนะไอ้ ม, มุมหนึ่งก็คือขอให้เรามีชีวิตเพื่อจะเพิ่มความดีอ่าให้มีชีวิตเพื่อความดีนะแล้วก็ถ้า อ, อแล้วก็ขอให้ตายในสภาพที่คุสนคอติมะตายในสภาพที่ดีเพื่อไปรอรับรางวัล อ้อาวลอร์บอกนะกลางคืนนอนกันไปเนี่ยพอเช้ามาก็เวลาก็ลดลงหมายถึงอายุไขเรา ล, ลดลงทุกวันแหละตื่นขึ้นมาทุกเช้านะนึกเลยตอนเช้าวันนี้ลดแล้วหนึ่งวันลดแล้วอีกหนึ่งวันนะอารจลุมุซัม ม, รร ม, มาใช้เวลาที่อลอร์กําหนดเอาไว้เพิ่มได้ไหมเนี่ยเพิ่มได้ไหมเพิ่มไม่ได้นะอลอร์กําหนดมาแล้วตามนั้นแหละอ่าตามที่กําหนดเอาไว้พอลอร์กําหนดตั้งแต่ตอนเป่า วิญญาณเข้ามาในคันเร็วว่าอายุไขเท่าไหร่นะแต่เลาล้อบอกเอาไว้ว่าสาเหตุของการมีอายุยืนเนี่ยสาเหตุของการมีอายุยืนหนึ่งนั้นการเชื่อมสัมพันธ์คือญาตินะการบริจาคนะก็ช่วยให้มีอายุที่ยืนได้แต่เลาล้อกำหนดไว้แล้วแหละในในจำนวนของอายุที่ยืนเนี่ยนะเอาล้อก็กําหนดเอาไว้เอาล้อบอกต่อซุมมาอีไลฮิมาร์จีอุกุมซุมมาอยู่นับบีอุบบีอุกุมบีมาคุณตุ้มตามาลูน และยังพระองค์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าอ่าก็ก็คือพอสิ้นอายุไขก็กลับไปหาเราอ่าแต่จะกลับไปในสภาพไหนเรื่องนะอ่ไม่ใช่กลับไปสู่ความเมตตายอย่างเดียวกลับไปสู่การลงโทษก็มีเอ่ไม่ใช่ตายทุกคนจะกลับไปสู่ความเมตตาไม่ใช่หรอกบางคนก็กลับไปสู่การลงโทษแต่กลับแน่นอนกลับไปในสภาพไหนซุ่มไม่อยู่นับบีอุกุ้มบีมากุนตุ้มตามาลุนและพระองค์ทรงบอกให้พวกเจ้าทราบถึงสิ่งที่กระทํามา เราทำอะไรไว้อลัลลอฮ์จะบอกหมดเหละนะพ่อพระองค์นั้นส่งบันทึกไว้หมดแล้วต่อมาว่าหัวพระองค์คือกอเฮโรฟาอกออิบาดิผู้ส่งอำนาจเหนือปวงบาวของพระองค์ยูรซีลูอาลัลกุมและส่งส่งผู้บันทึกความดีนะและก็ความชั่วมายังพระเจ้า อัลลอฮ์ให้มีมาลิกาบันทึกความดีความชั่วฮัตตาจนกระทั่งอีดะจาอาฮาดากูมุนเมาส์จนกระทั่งเมื่อความตายได้มาย่างคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าตาวัฟฟัตฮูรู้ซูลูนาและเราก็ได้ส่งทูตบรรดาทูตของเราก็คือมาลิกินมูด ามาดิกินมูทมารับชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาจะไม่กระทำสิ่งที่บกพร่องเลยแปลว่าอะไรแปลว่ามาเลกาเนี่ยไม่มีการเก็บวิญญาณผิดนะอันนี้ในหนังดูในหนังเออมาเก็บวิญญาณผิดเก็บก่อนเวลาเก็บผิดคนยังไม่ถึงที่ตายเอาไปก่อนตอนหลังความตายจะต้องมาไล่ล่ า, ลาอันนั้นหนังทั้งนั้นเลย แต่ในความเป็นจริงก็คือมาริกะมาเก็บวิญญาณโดยที่ไม่ได้ทำหน้าที่บกพ้่องแต่ประการใดนะเพราะแน่นอนว่ามาริกาจะไม่ทำสิ่งที่ฝ่าฝืนอลัลลอฮ์อยู่แล้วอลัลลอฮ์กำหนดมาก็ทำตามนั้นนะเอาต่อมาซุมมารุดดูอีลาอีลาลอและพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปยังอัลลอฮ์เมาลาห์มูลัก <c oughs> <c oughs> ผู้เป็นนายอันแท้จริงของพวกเขาเป็นนายของเมาเลกา้านายของวิญญาณที่ถูกเก็บไปพึงทราบเถิดว่าข้อตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นและพระองค์เป็นผู้ที่รวดเร็วในการสอบสวนและชำระชำระสอบสวนผู้ชำระสอบสวนทั้งหลายนะอันนี้ก็จะมีฮะดีสพูดนะ บอกว่าไงแท้จริงคนใกล้จะตายนั้นบัณดาเมริกาจะปรากฏตัวห้อมล้อมเลยบัณฑเมริกาห้อมล้อมเขาอยู่และถ้าปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นคนดีเขาก็จะกล่าวว่าโอ้วิญญาณที่ดีที่อยู่ในร่างที่ดีจงออกมาเถิดออกมาได้รับการสรรเสริญออกมารับข่าวดีด้วยกลิ่นอันหอมหอมรัจวนหอมอบอวนและพระองค์อภิและอัลลอ์พระองค์และอัลลอ์จะไม่ทรงโกรธกิ้ว โดยคํากล่าวยังคงเป็นไปอย่างนั้นจนกระทั่งวิญญาณออกมาอาลัลลอฮฺเชิญวิญญาณออกมาหลังจากนั้นวิญญาณนั้นก็จะถูกนําขึ้นไปฟ้าฟ้านะก็มีประตูกล่าวก็ที่เราเรียนกันนะเนี่ยเป็นฮะดิษที่ยาวเลยบันทึกโดยมัมมัมอามัดส่วนวิญญาณที่น่าเกลียดออกมาในสภาพที่อะไรเหม็นเหม็นเน่าเนี่ยตามเนี้ยนะฮะดิสบอทเลยนะครับนะก็จะแต่ว่าถูกกล่าวด้วยนะลูกหลานใครฟุร่านลูกหลานใคร แน่ น, นั้นเวลาถูกประกาศเนี่ยถ้าประกาศชื่อดีก็อัทำดุริศละประกาศออกมาไม่ดีก็อต้องเตรียมตัวไว้ด้วยแต่ประเด็นก็คือว่าวันก่อนมีคําถามถามเข้ามาว่ า, าลูกที่เลิกรากันไปแล้วส่วนเลิกกันสามีภรรยาเลิกกันเนี่ยปรากฏว่าแม่เอาลูกไปเลี้ยงและแม่เนี่ยกลับไปอยู่ในศาสนาเดิมเนี่ย นะคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะมีบาปไหมคําถามคําตอบก็คือบาปนั่นสิเพราะอิสลามนะจําเลยนะคนที่จะเลี้ยงลูกได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีศาสนานะอ่าต่อให้เป็นแม่ถ้าแม่ติดยาเนี่ยก็แม่ก็ไม่มีสิทธิเลี้ยงลูกถ้าแม่เป็นคนติดยานะทั้งหมดเลิกกันไปใช่ไหมแม่ไปเล่นยาความจริงนะ่ะลูกจะ ต, ต้องอยู่กับแม่แต่พอแม่ติดยาปับ๊บศาสนาบอกอ๋ออยู่กับนี่ไม่ได้แล้ต้องย้ายไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นที่เป็นญาติฝั่ง ฟังคุณพ่อจะเป็นโต๊ะเป็นอะไรคือพูดง่ายๆว่าเด็กต้องอยู่กับคนดีและนี่เด็กไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเหลือไหมฉันก็เลยบอกว่าอ่าเสียศาสนาฉันก็เลยบอกว่าระวังนะอ่าเด็กๆที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็ปล่อยจนทั้งไปไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยน่ากลัวนะครับ อ่าเอกฎกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าในฐานะคนที่เป็นมุสลิมก็จะต้องทําให้สุดความสามารถแต่ถ้าเราสุดความสามารถแล้วเอาล่ะทรงรู้ว่าเราทําสุดความสามารถแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนก็ถือว่าท่านปล่อยเลยไม่ต้องสนใจเลยสุดท้ายลูกก็กลายเป็นคนนอกศาสนาไปนะครับอันนี้ก็เตือนกันนะอ่าเพราะว่าในวิญญาณนี้จะถูกกล่าวด้วยเป็นลูกหลานใครไงอ่าถ้าวิญญาณดีก็ทำดีแลาววิญญาณไม่ดีเราก็อ่าก็ต้องรับกันไปอนะอ่าเพราะว่า คนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีมันจะเรียวด้วยตัวมันก็มีนะเี้ยวด้วยตัวมันเองแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะซึมซับจากบุคคลรอบข้างและการเรียนการสอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะสุบาานะกลอฮุมมาบิฮมลิกอัลลอฮอลาฮิอิลลาอัตาอัสตัฟุกะวะตูบลอัสลามอเดกุมมาตุลลอมากาตุ